ที่เขาบริจาคแก่บุคคลที่ขอมาเองแลกเปลี่ยนของอย่างอื่นในนิสสคิยปาจิตตีสิกขาบทที่สิบนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตหกสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานหกสมุดฐานละ